วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หมกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษัทผู้ฝ่ายธรรมไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเ อ, อาเรียนรู้ วิธีหาความสุขเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้ให้ชีวิตของตนมีแต่ความสุขตราศจากความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าในโลกนี้มีความสุขอยู่สองแบบด้วยกันคือความสุขทางกาย น่าความสุขทางใจความสุขทางกายนี้เป็นความสุขกรอมเพราะเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ส่วนความสุขทางใจนี้เป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ไม่เปลี่ยนไปเป็นความทุกข์ นี่คือความสุขสองชนิดด้วยกันถ้าเราต้องการความสุขแท้เราก็ต้องาหาความสุขทางใจอย่าไปหาความสุขทางกายความสุขทางกายก็คือความสุขที่เราได้ใช้นั่งกายไปหาสิ่งต่างๆมาเสพมาสัมผัสนั่นเองไปหาความสุขจากโลกธรรม คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกิรลดพทธภชนิดต่างๆที่เป็นของไม่เที่ยงโลกธรรมนี้เป็นของไม่เที่ยงคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมืม่อเวลาเกิดความเสื่อ ม, อมก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เป็นอนุตตาก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันให้แต่ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวให้มันอยู่กับเราให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ได้มันอยู่ภายใต้กฎอ น, นิจจังคือไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดา มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นมีลาบวันนี้ได้ลาบมาวันข้างหน้าลาบนี้ก็จะหมดไปได้พอลาบหมดใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าต้องอาศัยลาบคือทรัพย์สินเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆมาเสกพอไม่มีเงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสก ใจก็ทุกข์ขึ้นมานี่คือความสุขทางทางกายเป็นความสุขแบบสุขสุขทุกทุกสลับกันไปสลับกันมาสาธายาโยมอยู่ในโลกนี้คงจะได้สัมผัส <c oughs> ความสุขและความทุกข์จากภาพยศสรรเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโภภาพมาพอสมกวดแล้ว แต่ถ้าไม่ได้มาศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้ว่ามีความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะไม่เสื่อมที่จะไม่กลายเป็นความทุกข์คือความสุขทางใจถ้าไม่มีธรรมะคำสั่งคำสอนก็จะไม่รู้ก็เรื่องของความสุขทางใจ ก็จะต้องหาความสุขทางกายไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องเจอกับความทุกข์เวลาที่ความสุขทางกายมันเสื่อมไปมันหมดไปแล้วก็ต้องคอยหาใหม mm hmm. ่เพราะจะอยู่แบบไม่มีความสุขก็ไม่ได้ทุกคนที่เกิดมานี้ต้องการความสุขด้วยกันทุกคนก็ต้องดินลนหาความสุข โดคิดว่าการมีทรัพย์สินนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้เรามีความสุขกันทุกคนเลยพุ่งเป้าไปที่การหาเงินหาทองเพรเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วก็จะได้เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆมานั่นเองแต่ไม่ว่าจะได้มามากน้อยเท่าไหร่จะซื้อความสุขได้มามากน้อยเท่าไหร่วันข้างหน้า เครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขทางกายก็จะเสื่อมลงไปเช่นเดียวกันเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขทางกายคืออะไรก็คือร่างกายของเราเนี่เองถ้าเราไม่มีร่างกายนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะไปหาเงินหาทองแล้วเอาเงินเอาทองไปซื้อสิ่ ง, งต่างๆมาเสพมาให้ความสุขกับเราได้เราต้องมีร่างกาย แต่ร่างกายของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดก่อนจะตายก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายแก่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใกล้จะตายร่างกายจะไม่สามารถไปหาความสุข ต่างๆไดท้ทางลทางร่างกายได้เลย mm hmm. เวลานั้นใจก็จะต้องทุกข์เพราะไม่มีความสุขให้เสพมีแต่ความทุกข์ให้เสพนั่นเอง mm hmm. นี่แหละคือเรื่องของความสุขทางร่างกายยังถือว่าเป็นความสุขปลอมเพราะว่าเป็นความสุขที่กลายเป็นความทุกข์นั่นเองเหมือนกับยาขมเครื่อนน้ำตาลไม่ใช่เป็น ขนมหวานยาขมเพียงแต่เขาเอาน้ําตาลมาเคลือบเป็นผิวบางๆเพื่อเวลาที่เอาเข้าไปในปากมันจะได้ไม่รู้สึกขมเพื่อจะได้กลืนลงไปได้ถ้าไม่มีน้ําตาลเคลือบไว้เลยพอเอายาขมแตะที่ลิ้นท่านั้นก็จะต้องคายออกมาทันทียาไม่สามารถกลืนเข้าไปได้ลักษณะของความสุขทางกายก็เป็นแบบ ความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้ครอบความทุกข์เอาไว้ความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขทางกายนี้มันมีการเสื่อมเป็นธรรมดารูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้มาเสพได้สัมผัสมันก็เสื่อมได้ของต่างๆที่เราใช้มันก็เสื่อมได้ซื้อบ้านมา ใช้ไปเรื่อยๆบ้านมันก็เสื่อมได้เก่าได้พังได้ซื้อรถยนต์มารถยนต์ก็เสื่อมได้เก่าได้พังได้ซื้อคนมาคนก็เสื่อมได้แก่ได้เจ็บได้ตายได้หรือมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดามีแฟนวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีแฟนก็ได้เพราะว่าแฟนก็เป็นแฟนก็เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เขาก็เป็นของอ น, นิจจัง mm. เข า, า จ, จะเป็นอะไราตายไปก็ได้ <c oughs> หรือเขาอาจจะหนีเราไปก็ได้ห mm. นีไปมีแฟนใหม่ก็ได้ mm. ของเหล่านี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่ไม่เหมือนเดิมไปตลอดเวลา mm. ถ้าเราไปหวังความสุขจากสิ่งที่ต้องมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีการหมดไป เวลาเกิดการเสื่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาการเกิดการสิ้นสุดไปมันก็จะทำให้เราเศร้าทำให้เรามีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย <c oughs> มีความทุกข์ใจ <c oughs> นี่คือลักษณะของความสุขทางกายที่เราเรียกว่าเป็นความสุขปลอม <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุขไปตลอด เป็นความสุขวันนี้แต่พรุ่งนี้มันกลายเป็นความทุกข์ไปคนที่ให้ความสุขกับเราวันนี้วันพรุ่งนี้เขาอาจจะกลายเป็นคนที่ให้ความทุกข์กับเราก็ได้เช่นวันนี้เขาดีกับเราพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้หรือเขาดีกับเราแต่เขามีมีอันเปเ็นไปมีอันที่จะต้องจากเราไป สิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่าเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีการเจริญมีการเสือ่อมเป็นธรรมดามีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้หาความสุขที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์เวลาที่มันเปลี่ยนไปนเวลาที่มันหมดไป ท่านจึงบอกว่านี่เป็นมันเป็นความสุขปลอมไม่ใช่เป็นความสุขจริงถ้าเป็นความสุขจริงนี้มันต้องสุขไปเรื่อยๆหรือถ้ามั น, ม, นมันลดน้อยถอยลงเราก็สามารถเติมได้อย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วรความสุขทางใจนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงมันจะไม่กลายเป็นความทุกข์ความสุขที่เราได้ ถ้าสมมว้ในใจนี้มันก็จะเป็นความสุขไปเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่กับเราไปกับเราด้วยความสุขทางกายนี้มันจบลงที่ความตายของร่างกายพอร่างกายตายไปความสุขต่างๆที่เราได้จากภาพยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นล้นนี้ก็หมดไปใจก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปดวงวิ ญ, ญญาณก็จะไม่มีอะไรติดตัวไป ดวมวิญญาณก็จะอยู่แบบเค่งคว้างไม่มีจุดหมายปลายทางต้องไปไ ป, ไปตามหน้าของของบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ส่วนมากคนที่หาความสุขทางกายนี้มักจะมีการทำบาปกันเป็นส่วนใหญ่เพราะการจะหาความสุขทางกายแบบแบบง่ายๆแบบเร็วๆแบบได้มากๆนี้ มกักจะต้องทำบบทุจริตคือด้วยการกระทำบาปอย่างใดอย่างหนึง่งไม่เช่นการโกหกหลอกลวงการช่อโกงการลักทรัพย์ <im. S 1> การประพฤติผิดประเพณีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต <im. S 1> อันนี้เป็นการหาความสุขห า, หาลาภยศตระเสริญด้วยการกระทำบาปแล้วพอ ร่างกายตายไปความสุขจากลาบยศสรรเสริญก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่ติดตัวไปสิ่งที่ไม่อยากจะเอาไปด้วยก็มีติดตัวไปก็คือบาปที่ได้ทำไว้อา น, นิสงของบาปก็จะก็จะไปกับดวงวิญญาณพาให้ดวงวิญญาณอยู่ในสภาพที่มีแต่ความทุกข์ถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน อยู่แบบสัตว์ในราชานี้มันทุกมากกว่าอยู่แบบมนุษย์มนุษย์นี้เป็นพบที่มีความปลอดภัยกว่าเพราะมนุษย์นี้อย่างน้อยก็มีเขามีกฎหมายมีอะไรไว้คอยห้ามความผู้ที่จะเบียดเบียนผู้ที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแต่ในโลกของสัตว์ในราชานี้เขาไม่มีกฎหมายเขาไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาคอยปกป้องความสงบสุขของของประชากรสัตว์เขาอยู่กันแบบใช้พลังใช้กําลังใครตัวใหญ่กว่ามีพลังมากกว่าก็รังแกหรือทํำลายสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่าสัตว์ที่อยู่ก็เลยต้องอยู่กันแบบหวาดระแวงหวาดกลัวความสุข แบบอยู่แบบมนุษย์นี้ไม่สามารถอยู่ได้ต้องคอยระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องคอยหากินด้วยการไปฆ่าฆ่าสัตว์อื่นนีกแต่นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำบาปในขณะที่ทำมาหากินหาความสุขทางร่างกายกันหาลาบยศเสรเสรหาความสุข นอกจากทำผิดสี่สี่ข้อนี้ไม่โกหกหลอกลวมก็รักทรัพย์ไม่รักทรัพย์ก็ป้นจี้ฆ่าผู้ถ้าอยากจะเสพการบางทีก็เสพด้วยการประพฤติผิดประเพณีแทนที่จะมีครอบครัวมีสามีมามีภรรยาของตนเองก็ไปยุ่งกับคนนั่นยุ่งกับคนนี้นี่คือลักษณะของการหาความสุขทางกาย มักจะต้องหาด้วยวิธีการกระทำบาปแล้วพอร่างกายตายไปใจที่ทําบาปก็จะต้องเป็นผู้ไปรับผลบาปไปเกิดในอบายทําบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป<ม>ก็ไปเป็นสัตว์เลี<ม>้ยงาฉันทาบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยทําบาปด้วยความกลัว ก็จะไปด้ยเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวทำบาปด้วยความมาฆาดพยาบาท<ม>ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความร้อนของความมาฆาดพยาบาทเผาผลาญจิตใจเรียกว่าไฟนรกเผาผลาญจิตใจ<ม>นี่คือผลที่จะตามมาจากการที่ที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ไปหาความสุข ทางทางกายโดยด้วยการกทำบาปต่างๆทาบาปสีวิธีด้วยกันทาบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุร ก, กายทำบาปด้วยความมาคาดพยาบาทก็ไปไปตกนรกนี่แหละคือ ความสุขทางกายเราจรึงเรียกว่าเป็นความสุขความเพราะความจริงมันเป็นความทุกข์ไปหาความสุขทางกายแล้วมักจะต้องเจอความทุก <Or> ข์ในกระทั่งหาความสุขทางกายโดยไม่ได้ทําบาปก็ต้องเจอความทุกข์เหมือนกันเพีแต่ทุกข์น้อยกว่าถ้าหาความสุขทางกายโดยไม่ทําบาปเวลาตายไปอย่างน้อยก็ไม่ต <L> ้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นสัตว์เนราฉานไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปเปน็นอสูนละกายไม่ต้องตกนรก อ, อย่างมากก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มถ้าไม่ทำบาป ก, ก็ไม่ต้องไปใช้บาปเะลาตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้แล้วก็มาหาความสุขแบบเดิมอีกมาหาความสุขทางกายกก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดส่วนบางคน หาความสุขทางกายแล้วบางทีมีเงินทองเหลือใช้มีเมื่อเงินมากกว่าที่จะใช้ได้ก็แบ่งเอาไปทำบุญก็จะมีประโยชน์ได้ได้ได้หาความสุขทางใจบุญการทำบุญนี้คือการหาความสุขทางใจถ้าเอาไปทาบุญครับเราก็จะได้ความสุขทางใจด้วย ความสุขทางใจนี้เกิดขึ้นจากการทำบุญทำทานเกิดขึ้นจากการรักษาศีลเกิดขึ้นจากการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือความสุขแท้ความสุขที่จะติดไปกับใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรา พยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะเอาเงินอาทองไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของหรูหรา<ม>ไปซื้อของที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีพอันนี้เรียกว่าเป็นการเอาเงินไปซื้อความสุขทางกายซื้อความสุขปลอมก็จะได้ความทุกข์ตามมา เวลาสิ่งที่เราซื้อมามันเสื่อมไปมันเปลี่ยนไปแล้วเวลามันหมดไปแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์กับความเสื่อมความหมดไปของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราคือความสุขทางกายเรามาหาความสุขทางใจกันความสุขทางใจพระพุทธเจ้าก็สงสอนว่ามีอยู่สามระดับด้วยกันระดับ ที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันทับเินสมบัติเข้าของเงินทองด้วยการทำบุญทำทานอันนี้จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาเราทำบุญทำทานแล้วใจเราจะมีความสุขมีความสบายใจมีความอิ่มใจแล้วความความหิวความอยากที่จะไปหาความสุขอยากรูปเสียงกลินรสผลิภัพฑ์ก็จะ เบาบางลงไปลดน้อยลงไปตามลาดับทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขแทนที่เราจะเอาเงินทองไปไปซื้อลูปเสียงกิ่นรถมาเสกเราก็เอาไปทำบุญทำทานแทนแล้วความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทานนี้มันเกิดตั้งแต่ตอนที่เราทำบุญทำทาน ทุกครั้งที่เราทำบุญทำทานแล้วเราเราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจสบายใจแล้วมันจะสะสมไว้ในใจมันไม่จางหายไปเหมือนกับความสุขทางกายที่เราได้มาปุ๊บไม่นานมันก็หมดไปเช่นไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาจากการไปเที่ยวความสุขที่ได้นั้นก็หายไปปล่อยให้ใจอ้างว้างเป่าเปลี่ยวเดียวดายหิวโหวย แต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานนี้มันไม่หายไปมันอยู่ในใจมันให้ใจมีความรู้สึกอิ่มมีความรู้สึกพอมีความรู้สึกไม่หิวโหยไม่อ้างว้างเปลี่ยวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไปเที่ยวที่นั่นไปไปไปซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเสกเพราะว่าบุญนี้เป็นเหมือนอาหารของใจที่จะให้ใจมีความอิ่มมีความพอมีความสบาย แต่ความสุขทางกายนี้มันเป็นเหมือนความสุขทางยาเสพติดเวลาเราเสพยาเสพติดนี้มันก็มีความสุขพอฤิ์ตรงยาเสพติดหมดลงความรู้สึกสุขก็หายไปความรู้สึกอ้างว้างป่าเปลี่ยวเดียวดายก็เกิดขึ้นมาความรู้สึกหิวโหวยก็โผล่ขึ้นมาใหม่ต้องไปหายาเสพติดมาเสพใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เสพอยู่กี่ครั้งก็เป็นแบบนี้ ได้ความสุขแบบควันไฟมาแล้วจางหายไปแต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญเป็นความสุขใจนี้อยู่กับใจต่อไป<ม>ใจนี้เป็นเหมือนกับธนาคารธนาคารบุญธนาคารเก็บความสุขต่างๆที่เราทาทางใจแล้วเราก็สามารถเอาความสุขที่เราได้จากจา ก, การทำบุญ ท, ทาทานนี้ไปกับใจ เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่มีความสุขนี้ก็ไม่ไปเกิดนายบายไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก่อนอเป็นภพที่มีความสุขมากกว่าภพของมนุษย์อยู่สุขสบายกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เพราะว่ามีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เรื่อยๆจนกว่าบุญที่หล่อเลี้ยงจิตใจหมดลง ถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อย น, นี้คือความสุขทางใจเป็นความสุขแท้ ม, มันจะไม่กลายเป็นความทุกข์ทำบุญทำทางกี่ครั้งกี่รอบถ้าทำถูกวิธีคือทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำโดยไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับใจจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราหวังผลแทนผลตอบแทนจากผู้รับนี้ใจอาจจะทุกข์ขึ้นมาได้ เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นการทำบุญนะ้วเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกับการเป็นการซื้อขายถ้าเราหวังผลตอบแทนจากผู้รับหวังให้เขาทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเราหรือหวังว่าให้เขาขอบอบขอบใจเราหวังว่าเขาให้เขาเคารพรักเราพอเขาไม่ทำมันก็จะทำให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์ใจได้ ถ้าทำบุญแบบนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องที่แท้จริงการทำบุญที่ถูกต้องที่แท้จริงนี้ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับเลยทำเพราะความสงสารความเพราะความเมตตาอยากให้เขามีความสุขอยากจะให้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขาให้หายไปทำโดยที่ไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทน ไม่ต้องการให้เขามีความรู้สึกขอบ อ, อกขอบใจเราไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเคารพรารักเราแต่อย่างใด<ม>เราทำเพื่อใจของเราทาเพื่อความสุขใจของเรา<ม>เพราะว่าถ้าเราทำทาแบบนี้ทำบุญแบบนี้มันจะทำให้ใจเราสุขทำให้ใจเราอิ่มจะทำให้เราไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเราทำเพื่อหวังผลตอบแทนจากผู้รับ เวลาที่เขาไม่ตอบแทนเราจะเสียใจเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาตอบแทนทำบุญแบบนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อของที่ร้านขายของเราเงินไปให้เขาแลวเขาก็ให้ของเรากลับมาอย่างนี้ไม่ได้บุญไม่มีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจแต่อย่างใด แล้วก็อาจจะเกิดความเสียใจถ้าเขาหลอกเราเอาเอาสินค้าไม่ดีมาให้เราหรือคิดราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็นพอ ร, รู้เข้าเราก็จะเสียใจได้ทำบุญแบบแลกเปลี่ยนนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนหรือว่าเรียกว่าเป็นการซื้อขายเราเราช่วยเขาแล้วเขาต้องมาช่วยเราเราให้เขาแล้วเขาต้องมาให้เราอย่างนี้ เราให้เขาแล้วเขาต้องขอบใจเราเราให้เขาแล้วเขาจะต้องเล่าเคารพเราลากเรา mm hmm. ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นการทําบุญ mm hmm. เป็นการลงทุนเป็นการซื้อขายซึ่งเราอาจจะได้ผลตอบแทนที่เราต้องการก็ได้หรือบางทีก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ mm hmm. แต่เราจะไม่ได้ความสุขทางใจก mm hmm. าร จ, จะได้ความสุขทางใจนี้ใจต้องไม่หวังอะไรจากผู้รับเลยแม้แต่นิดเดียว ใจมีแต่ความคิดที่อยากจะให้เขามีความสุขแผ่เมตตานี่แหละคือวิธีการแผ่เมตตาที่ถูกต้องต้องแผ่ด้วยการกระทาด้วยการให้ความสุขแก่ผู้อื่นไม่ใช่เป็นการไม่ใช่การนั่งสวดมนต์บทแผ่เมตตาญาโยมที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มักจะหลงคิดว่าเวลาปฏิบัติธรรมเสร็จนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพริเสร็จแล้วต้องสวดบทแผ่เมตตา เพรแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงความจริงการสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่แต่อย่างใดการสวดนี้ก็เป็นการฝึกสติอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกับการสวดมนต์ไหว้พระดีๆนี่หรือว่าเป็นการศึกษาวิธีการแผ่เมตตาว่าจะต้องแผ่อย่างไรเช่นเราสวดสัพเพสัตตาเวลาหงุดหงเจ้าบอกว่า จงอย่ามีเวรกับสัตว์ประสัตวทั้งหลายทั้งปวงเอเวลาแปลว่าไม่มีเวรสัปสัตวสัเพสัตตาก็คือสัปสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์นี้ก็หมายถึงสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดในตายพบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ในราจฉานเทวดาเปรตอินพรหมนี้เรียกว่าเป็นสัตว์ทั้งนั้นสัปสัตวเราจะไม่มีเราจะไม่มีเวรกับใครเราจะให้ความสุขกับเขาเพียงอย่างเดียว สุขีอัตยังปริหารันโตนะให้ความสุขกับเขาวิธีที่จะไม่มีเวรหรือให้ความสุขกับเขาก็คือต้องเจอกันเวลาเจอกันแล้วเกิดมีเรื่องมีราวต่อกันเกิดความโกรธกันอันนี้เราก็ต้องให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกันถ้าอย่างน้ถ้าอยากให้เขามีความสุขเช่นในช่วงปีใหมน่นี้เราอยากจะให้คนนั้นคนนี้เขามีความสุข เราก็ส่งของไปให้เขาส่งของขวัญไปให้เขาส่งความสุขไปนี่คือการเมตตาการเมตตาต้องเกิดจากการกระทําไม่ใช่เกิดจากการสวดการสวดนี้เป็นเพียงการสอนเป็นการเตือนตนเองว่าเราจะต้องแผ่เมตตาและวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่อย่างไรบ้างแต่ถ้าจะให้ความเมตตาจริงๆแล้วต้องให้ด้วยการทาบุญทาทาน การทำบุญทำทานของเรานี้เป็นการแผ่เมตตาถ้าเราให้ด้วยความบริสุดใจคือให้โดยที่ไม่มีผลไม่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับแล้วใจเราจะมีความสุขเป็นความสุขแท้ที่จะอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆจะหมดก็ต่อเมื่อเราไปไปรับผลบุญในสวรรค์ทท่านั้นหลังจากที่เราตายไปแล้วแต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ บุญที่เราทําไว้นี้ยังสะสมอยู่ในใจของเราทุกครั้งที่เราคิดถึงเวลาที่เราได้ไปทําบุญความรู้สึกนั้นความสุขนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนี่แหละคือความสุขแท้แล้วก็จะไม่กลายเป็นความทุกข์ถึงแม้มันจะหมดไปมันก็เพียงจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอต้องมาเติมบุญอีกแล้วนะพอเราเรามีความรู้สึกว่าความสุขที่เราได้จากบุญมันหมดไป ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเติมบุญแล้วแล้วถ้าเราไม่ได้เติมบุญเราก็ยังไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดเพียง แ, แต่รู้สึกว่าความสุขในใจมันน้อยลงไปแต่ทุกข์จะไม่เกิดจากการทำบุญจากการเสื่อมของบุญเมื่อเสื่อมมันก็เพียงแต่บอกเหมือนบอกให้เรารู้ว่าต้องเติมบุญแล้วนะแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้บุญยังไม่เสื่อมบุญที่เราทาทุกวันออทุกครั้งที่เราทานี้มันย่าสะสมไว้ในใจ เหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารแล้วเรายังไม่ได้ไปเบิกมาใช้มันก็จะไม่มันมันจะไม่ลดน้อยลงไปดีไม่ดีมันจะเพิ่มขึ้นเพราะมันมีดอกเบี้ยเอาเงินไปฝากในธนาคารถ้าเราไม่ไปเบิกมีแต่ฝากอย่างเดียวฝากไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราจะมาเบิกเงินใช้ก็ต่อเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเวลาเราตายจากโลกนี้ไปเราต้องเบิกเงินม บุญมาใช้แล้ว<ห>ก็เราไม่สามารถเต่บุญด้วยในอย่างขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรามีร่างกาย<ห>แล้วถ้าเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้<ห>เราก็สามารถเอาเงินทองนี้ไปเปลี่ยนเป็นบุญได้<ห>แต่พอเวลาตายไปแล้วเราไม่มีเงินทองที่จะมาทำบุญได้แล้วเราไม่มีร่างกายที่จะเป็นเครื่องมือในการทำบุญ เราก็ต้องอาศัยบุญที่เราสะสมไว้ในบัญชีบุญเนี่ยบัญชีบุญนี้ก็จะเป็นผู้เอาบุญมาจ่ายให้กับดวงวิญญาณของเราดวงวิญญาณของเราก็เลยอยู่ในสวรรค์ไปเรื่อยๆจนกว่าบุญที่เราได้สะสมไว้มันหมดกําลังลงเราถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะกลับมาทําบุญต่อเพราะเมื่อเราทําบุญแล้วมันจะติดเป็นนิสัย พอเรารู้ทุกครั้งที่เราทาบุญเรามีความสุขใจเวลาที่เราจะเลือกระหว่างการทาบุญด้วยการไปเที่ยวดีเราต้องจะเลือกการไปทำบุญมากกว่าการไปเที่ยวเพราะทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเรารู้สึกว่าเวลากลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันหายไปหมดไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปทำบุญความสุขที่เราได้จากการทำบุญเวลาเรากลับมาบ้านมันไม่หายไปมันยังอยู่คู่กับใจของเราต่อไป นี่คือการหาความสุขที่แท้จริงขั้นที่หนึ่งก็คือให้หาความสุขจากการทําบุญทําทานถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็แทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขทางกายซึ่งเป็นความสุขรองให้มาซื้อความสุขแท้ความสุขจริงด้วยการเอาเงินทองเหล่านี้ไปทําบุญทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเช่นมีใครที่ไหนเดือดร้อน เช่นมีน้ําท่วมเขาเดือดร้อนขาดเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเราก็ซื้อเครื่องใช้อุปโภคบริโภคส่งไปบริจาคไปหรือมูลนิธติต่างๆที่เขารับเงินของเราเพื่อที่จะได้ไปซื้อของต่างๆไปช่วยอันนี้นหะเป็นการซื้อความสุขที่แท้จริงเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจต่างกับการที่เอาเงินทองไปเที่ยว ไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของเหล่านี้พอได้มาปับ๊บพอใช้เงินหมดไปปับ๊บความสุขที่ได้ก็จางหายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปล่อยให้เรารู้สึกอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกเราเศร้าหมองต้องไปหาความสุขแบบนี้ต้องหาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาที่ไม่มีปัญญาที่จะหาได้เงินทองไม่พอใช้ หรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ ต, ต่างจากความสุขใจที่เราได้จากการทำบุญที่เป็นสุขแท้ต่อไปร่างกายเราอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีความแก่ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขได้ ใจจะไม่ทุกข์ใจจะมีความสุขจากบุญเก่าที่ได้ทำเอาไว้แนละการทำบุญก็ง่ายถึงแม้ร่่งกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ยังทาได้ถ้าเรามีทรัพย์สินมีเงินทองเราก็เพียงแต่บอยจากจากใครไปทำให้เราก็ได้เราไม่ไปเองก็ได้ฝากลูกฝากหลานเวลาเขาไปวดัดก็ฝากเงินไปให้เขาช่วยทำบุญให้กับเราเราก็ได้บุญเราก็ได้ความสุขใจหิมใจ นี่คือการหาความสุขที่แท้จริงขั้นที่หนึ่งชนิดที่หนึ่งก็คือการทำบุญทาทานนี่แล้วความสุขขั้นที่สองชนิดที่สองที่ได้จากการทำบุญก็คือการการรักษาศีลการไม่ทำบาปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญอีกแบบหนึ่งการสร้างความสุขให้กับใจอีกแบบหนึ่งการสร้างความสุขแท้ให้กับใจ พอเวลาที่เราไม่ทําบาปนี้ใจเราจะเย็นใจเราจะสบายใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ไม่ไม่ไม่หวาดกลัวไม่มีความรู้สึกหวาดระแวงต่างกับเวลาที่เราทําบาปเวลาทําบาปแล้วใจเราจะวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวว่าจะถูกจะไปจับไปลงโทษหรือกลัวว่าคนอื่นถ้าเขารู้ว่าเราทําบาปแล้วเขาจะประนามเราเขาจะดูถูกเราเขาจะเกลียดชังเรา เขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเราแต่ถ้าเราไม่ทำบาปแนละ้วความรู้สึกเหล่านี้จะไม่ไม่มีวันเกิดขึ้นมาเลยเราจะอยู่อย่างสบายไม่กลัวว่าจะมีใครมาจับเราไปลงโทษเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิด mm hmm. ไม่มีใครจะมาเกลียดชังเราเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเกลียดชังเราไม่มีใครที่จะมาดูถูกดูแคลนเราเพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่ที่เสียหาย ที่ต่ําต้อยชั่วช้าเร็วทรามแต่อย่างใดอันนี้แหละคือความสุขใจอีกแบบหนึง่งคือความสุขใจที่เกิดจากการไม่ทําบาปความสุขใจที่เกิดจากการรักษาศีลศีลห้า น, นี้แหละคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขอื่นๆ <S <S เช่น <S 1> <S 1> <S <ๆ>การเล่นการพ น, นันการเที่ยวกลางคืนความเกียดชัน การควบคนชอบอบายยามุกเป็นนิดนเพราะการกระทําเหล่านี้จะนําไปสู่การกระทํำบาปไม่ช้าก็เร็วเพราะอบายยมุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเมื่อไปเที่ยวบ่อยๆเงินทองก็จะไม่พอใช้ไปเล่นการพ น, นันไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดก็ต้องไปหาเงินมาโดยวิธีไม่ชอบไปหลอกลวงไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปป้นไปจี้ นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะละเวน้นเราจะทำให้ใจเรามีความสุขถ้าถ้าเราไม่มีเงินทำบุญทำทานเพียงแต่เรารักษาศีลได้เราก็มีความสุขได้ทำบุญทำทานก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีมากถึงจะต้องทำได้ทำทำบุญวันละหนึ่งทัพพยก็ได้บุญนะทุกวันเราใส่บาทไปวันละหนึ่งหนึ่งทัพพยก็ได้ถ้าเราถ้าเราไม่มีเงินทองมากมายจริงๆ ทำไปตามกําลังของเรามีมากมีน้อยเราทําได้ยิ่งถ้าเราเรารู้ว่าการใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยการใช้เงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเสพสิ่งต่างๆนี้เป็นความสุขความเราก็อาจจะเอาเงินเหล่านี้ที่เราไปใช้กับความสุขความนี้มาให้กับการทําบุญทําทานแทนทําบุญทําทานลายไปก็จะได้ไปสวรรค์ ถ้ารักษาศีลได้ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปเป็นกษัตริย์เดราชานไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นปนรกกายไม่ต้องไปตกตรกเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติแต่ถ้าเราอยากที่จะได้บุญแบบได้ความสุขแบบยั่งยืนแบบถาวรแบบที่ไม่เสื่อมไม่หมดเราก็ต้องทำทำบุญอีกชนิดหนึ่งสร้างความสุขใจอีกแบบหนึง่ง เป็นความสุขใจที่เกิดจากการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าความใจเราจะสุขรู้จะไม่สุขนี้อยู่กับว่าใจเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าใจเราบริสุทธิ์ใจเราจะมีความสุขถ้าใจเราไม่ไม่บริสุทธิ์มีกิเลตตัญหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆใจของเราก็จะมีมีความเศร้าหมองอยู่เรื่อยๆมีความเศร้ามีความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจ มีความเครียดมีความวิตกกังวลต่างๆสิ่งเหล่านี้เกิดจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่เราจะต้องชำระถ้าเราสามารถชำระกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปจากใจได้แล้วใจเราจะมีความสดชื่นเบิกบานมีความบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนกับเสื้อผ้าที่ได้รับการซักพอกจนสะอาด เวลาที่เราจะใส่เสื้อผ้าถ้ามีเสื้อผ้าสะอาดกับเสื้อผ้าที่สกรปรกนี่เราจะเลือกเสื้อผ้าชิ้นไหนมาใส่เห็นเสื้อผ้าสกรปรกแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ทั้งกลิ่นทั้งอะไรมีแต่ความน่าขยะขยงแต่เห็นเสื้อผ้าที่สะอาดบรยสุทนี่เห็นแล้วมีความอยากจะเอามาใส่เพราะมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนั่นเองฉันใดใจของเราก็เหมือนกัน ใจของเรานี้ถึงแม้ว่าจะได้ทำบุญแล้วจะได้รักษาศีลแล้วแต่ใจเราก็ยังสามารถเศร้าหมองได้ยังมีความรู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าได้รู้สึกเศร้าโศ ก, กเสียใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกวิตกกังวลหวัดหวาดกลัวกับอะไรต่างๆได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่การทำบุญทำทานหรือการรักษาศีลนี้ไม่สามารถกาจัดมันได้ ถ้าเราอยากจะให้ใจเรามีแต่ความสุขร้อยเปอร์เซนตบริสุทธิ์ผุดพองเราต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ<ม>์และเครื่องมือที่จะใช้ในการซักพอกจิตใจนี้ก็คือการบําเพ็ญจิตตภาวนา<ม>ที่มาของการทําบุญสามขั้นก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนา<ม>ทานต้นก็ทําบุญทําทานให้ใจมีความสุขในระดับของเทพก่อนแล้วก็รักษาศีลเพื่อ ปิดประตูอาบายไม่ให้ใจตกไปไปตกนรกไปทุกข์ยากลำบากในในอาบายเมื่อเราทําได้สองข้อแรกแล้วเราก็มาขยับมาทําข้อที่สามต่อไปก็คือมาภาวนามาซักพ อ, อกจิตใจเหมือนชําระจิตใจการซักพ อ, อกจิตใจนี้ต้องมีเครื่องมือคือหนึ่งต้องมีศีลศีลของนักบวชเพราะว่าเวลาเราต้องการที่จะเอาเวลามาให้กับการซักพ อ, อกจิตใจ ถ้าเรายังไปมีกิจกรรมทางทางรูปเสียงกลิ่นล้นอยู่เอ็นหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นล้นอยู่เราก็จะไม่มีเวลาพอให้กับการซักพอกจิตใจถ้าเราอยากจะมีเวลาเราก็ต้องถือศีลแปดกันสีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางรูปเสียงก ล, ลงิ่นล้นเลยถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำบาปก็ก็ให้ละเว้นไปเช่นศีลข้อสามของศีลข้อห้า คือห้ามไม่ให้เราประพฤติผิดประเพณีแต่เรายังสามารถมีการร่วมเพศหลับนอนกับคนที่เป็นคู่ครองของเราได้อยู่แต่ถ้าเราต้องการที่จะมาซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดเราต้องละเว้นกิจกรรมการร่วมเพศกับคู่ครองของเราเรียกว่าเปลี่ยนศินข้อสามจากการเมสุวิชชาจาราความไม่ประพฤติผิดประเพณีมาเป็นอ布拉มจริยาเวรมณี คือการพุทธประพุติพรมอาจารย์นี่เองไม่ว่าไม่มีการร่วมเพศกับใครเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราใช้กับการร่วมเพศนี้มาให้กับการซักพอกจิตใจการซักพอกจิตใจก็ต้องมีการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญานี่เองสามขัน้นสามอย่างจะเจริญสติจะนั่งสมาธิจะพิจารณาทางปัญญาได้ก็ต้องไม่ไม่ต้องมีเวลา ถ้าเอาเวลาไปใช้กับการร่วมเพศนี้ก็จะไม่สามารถมาเจริญสตินั่งสมาธิได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะมาซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ให้เจอให้มีความสุขใจที่ทั้งที่เต็มเปี่ยมเต็มร้อยที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจําเป็นที่จะต้องมาซักพอกกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองตัวที่คอยดูดความสงบ ตัวที่คอยดูดความสุขของใจไปเรื่อยๆด้วยการสร้างความเศร้าหมองให้กับใจอยู่เรื่อยๆเราต้องคอยชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดไปจากใจด้วยการเบื้องต้นให้การถือศีลแปดยุติการหาความสุขทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเนคขมานิคขมานี้แปลว่าการออกจากการหาความสุขทางทางกายซึ่งเป็นความสุขปรม ให้มาหาความสุขความความสุขจริงที่ได้จากการซักฟองจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเวลาจิตใจสะอาดบริสุทธิ์จิตใจจะสงบจิตที่สงบนี้จะเป็นความจะเป็นจิตที่มีความสุขเหนือนกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองต้องมีเวล า, าต้องต้องเลิกกิจกรรมทางตาหูจมูกเน้นกายไปศิลข้อสามก็เป็นอ布拉มจาริยาแล้วก็เพิ่มศินข้อหก สิ่งก่อหกก็คือแม่เราเส็บความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้กินเพื่ออยู่ไม่อยากให้อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอกินวลาหลายหลายรอบแต่เรากินเพื่อให้เลี้ยงดูร่างกายกินแค่ครัง้งสองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปเพราะเราต้องการเอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้มาให้กับการซักพอกจิตใจนั่นเองถ้าเรายังเอา อาเวลามากินอาหารตามความอยากนี้เท่ากับเป็นการเพิ่มความเศร้าหมองให้กับใจเพิ่มกิเลสตัณหาในใจให้มากขึ้นไปไม่ได้ให้ลดน้อยลงการทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความเศร้าหมองให้มีเพิ่มมากขึ้นการหยุดความอยากการฝืนความอยากการไม่กระทําตามความอยากนี้เป็นการซักพอก่อเป็นการตัดลดละความเศร้าหมองที่มีใ น, ในใจให้น้อยลง เราถึงต้องถือศีลข้อข้อหกกันเพราะว่าร่างกายไม่ต้องการอาหารมากจนเกินไปกินแค่วันละมือ้อสองมื้อก็อยู่ได้แล้วไม่เดือดร้อนกินเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากการขาดอาหารเท่านั้นเองเหมือนกับการกินยาไม่ได้กินเพื่อเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาความอยากที่เป็นความสุขประเดี๋ยวปรดาวแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอความอยากอยากอยากอยา ก, อยากจะกินใหม่โผล่ขึ้นมา ความสุขที่ได้จากการกินข้าวที่แล้วก็หายไปความอยากก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าหิวโหยขึ้นมาทันทีทั้งๆที่ร่างกายนี้ไม่ต้องการอาหารทั้งๆที่ร่างกายบอกพอแล้วจะกลายเป็นตุ่มแล้วอย่าอยาอยาเอาใส่เข้าไปในร่างกายเลยแต่ใจมันมีความหิวมันมีความอยากมันก็ต้องกินให้ได้เพราะเวลามีความอยากแล้วมันมีความเศร้าหมอง ถ้าไม่ได้กินแล้วมันไม่ได้ทำตามความอยากแล้วความเศร้าหมองมันจะไม่หายไป<ม>ก็เลยต้องกินงนันแต่กินก็ทำให้ความเศร้าหมองหายใจหายไปเพียงชั่วคราวเดี๋ยวความอยากโผล่ขึ้นมาใหม่ความเศร้าหมองก็โผล่ขึ้นมาอีก<ม>ก็เลยต้องกินอยู่เรื่อยๆบางคนกินมาละห้าหกครั้ง<ม>กินจนกระทั่งร่างกายเป็นตุ่มจนกระทั่งหมอต้อ ง, ต, องต้องบอกต้องหยุดกินแล้วนะน้ำหนักเกินแล้วถ้าไม่นั้นตายได้นะ คนนี้คนเรานี้สมัยนี้ตายเพราะกินมากกันไม่ใช่กินเพราะอดตายแต่กินเพราะกินมากเกินไปกินวันละห้าหกครั้งกินจนกระทั่งน้ําหนักเกินทําให้หัวใจนทํางานหนักทําให้ร่างทำให้หลอดเลือดมีไขมันอุดตันทําให้คอมดันสูงทําให้เบาหวานน้าตาลมากอย่างนี้เป็นโทษที่ตามมาทางร่างกายโทษทางใจก็คือใจก็จะมีความเศร้าหมองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากการกินมากเกินไป ด้วยความอยากเพราะฉะนั้นถ้าจะกินแบบที่จะเป็นประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจก็กินแค่วันละครั้งสองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วสำหรับพระที่ปฏิบัติเข้มข้นนี้ท่านมักจะกินมือนม้อเดียวฉันมื้อเดียวฉันทีเดียวให้มันเสร็จไปแล้ว ตอนเช้าไปบินธบาตกลับมาจากบินธบาตก็ฉันงานให้เสร็จเลยเสร็จแล้วก็จะได้หมดภาระกับเรื่องการกินใจก็ไม่ต้องมาภาวะโคลนกับเรื่องการไปกินมื้อต่อไปใจจะได้เอาเวลามาซักพอกจิตใจมาเจริญสติมานั่งสมาธิได้นี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลข้อหนอกจากจะทําให้ใจมีเวลาให้กับการปฏิบัติแล้วการกินพอประมาณมันจะไม่ทําให้เกิดความขี้เกียจเกิดความง่วงเหงาเหงานอน ถ้าเรากินมากๆเน้อท้องมันท้องมันตึงหนังท้องมันตึงหนังตามันจะหย่อนกินมากๆแล้วมันก็อยากจะหลับจะนอนมากกว่าจะมานเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมก็ <c oughs> จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติได้ถ้ากินมากเกินไปแต่ถ้ากินพอประมาณพอให้ดับความหิวได้ก็พออย่ากินจนอิ่มพอรู้สึกว่าจะอิ่มแล้วก็หยุดกินพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดกิน คือการกินนี้มันมีสองระดับกินเพื่อดับความหิวแล้วกินเพื่อให้อิ่ ม, มถ้าเป็นนักปฏิบัตินี้ท่านจะกินเพื่อให้ความหิวมันหายไปก็พอพอความหิวหายไปท่านก็หยุดกินเพราะถ้ากินต่อไปความอิ่มมันถึงจะตามมาถ้าความอิ่มตามมาก็แสดงว่ามันกินมากเกินไปแนละ้วสําหรับนักปฏิบัติเพราะเมื่อเวลามันอิ่มแล้วมันจะเกิดความเกลียดข้างขึ้นมา ท, าทันทีแทนที่จะเดินหาทางเดินจงกรมมันกลับจะหาหาหมอนหาเสือกัน มันจะหาที่นอนกัน<ม>เวลาที่จะให้กับการปฏิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะหลังจากกินข้าวอีกหนึอแล้วก็ขอนอนสักก่อนเสียเวลาไปอีกหลายชั่วโมงดังนั้นการกินนี้ต้องมีความระมัดระวัง ผ, ผู้ที่จะปฏิบัติซักพอกจิตใจนี้ต้องรู้จักการประมาณในรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร<ม>ถึงจะสามารถที่จะเอาเวลามาให้กับการทักพอกจิตใจได้ นี่คือหน้าที่ของศสียงข้อหกส่วนศสียงข้อ7จก็คือไม่ให้เราไปเสียเวลากับการไปเสบรูปเสียงกิ่นร้นเองเช่นมือถือเนี่ยเอาเปิดมือถือก็มีรูปมีเสียงให้เราฟังให้เราเสดเสดติดพอดูแล้วก็ติดแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันทำให้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติมากับการซักฟอกจิตใจได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะ มีเวลาให้กับการซักพอกจิตใจแล้วอย่าไปเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้นไก่อย่าดูหนังฟังเพลงอย่ามอสบบังเทิงต่างๆอย่าไปเที่ยวตาสารที่บันเทิงต่างๆให้ไปหาที่สงบสงัดวิเวกที่เหมาะต่อการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้ก็คือสีลข้อที่เจ็ด แล้วนอกจากไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปเสบ ร, รูปเสียงขินแล้ ว, ลวก็ไม่ให้เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยอย่าไปเสียเวลากับการทําเผ้าทําทผมทําหน้าทําตาอะไรต่างๆเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติทักพอกจิตใจดีวกว่าร่างกายก็เพียงแต่รักษาให้มันสะาดก็พออาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็พอแล้วไม่ต้องใส่เครื่องสำํำอางไม่ต้องอะไรผมก็หวีแบบให้มันเรียบร้อยผูกมัดไว้ให้มันเรียบร้อยก็พอ หรือถ้าเป็นไปได้ก็กอนทิ้งไปเลยก็ดีรอนนี้เป็นนักปฏิบัติที่เข้มข้นแล้วจะรู้โทษของการมีผมยาวว่ามันเป็นภาระกอนทิ้งเลยดีกว่าสบายกว่าเพราะคนที่ปฏิบัติทำนี้ไม่ไม่หวังหาความสุขจากรูปร่างหน้าตาของร่างกายแล้วต้องการหาความสุขจากการซักฟอกจิตใจให้สะอาดการมามีผมเลยต้องกลายเป็นภาระต้องเสียเวลาดูแลมันต้องคอย ต้องคอยทำความสะอาดต้องคอยสระผมหวีผมเซ็ตผมต้องคอยตัดคอยแต่งอะไรอยู่เรื่อยๆ <S <S พอโกนไปปั๊บนี้มันสบายเลยวั น, ว, นวันหนึ่งอาบน้ำทีก็เพียงแต่เอาสบู่ซักรูปหัวหน่อยก็พอละไม่ต้องมีหวีไม่ต้องมีน้ำยาน้ำมันอะไรต่างๆใส่เข้าไปให้มันเสียเวลาเ ป, ป<อ>ล่าๆพราะคนที่ต้องการซักฟอกจิตใจรู้ว่าความสุขทางกายนี้มันสู้ความสุขทางใจไม่ได้เลย ความสุขทางกายก็เป็นความสุขบอลเป็นความสุขชั่วคราวต่อไปร่างกายมันก็ต้องแก่แก่แล้วจะไปเสริมความงามยังไงเสริมสวยยังไงมันก็แก่มันไม่มีทางที่จะสวยได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปหลงไหลกับความเสริควสวยงามของร่างกายมันเป็นของชั่วคราวเอามาหาความสุขแบบถาวรดีกว่าคือความสวยงามทางใจด้วยการซักฟอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้วสี่ข้อที่แปดก็คือไม่ให้เรานอนมากเกินไปเราต้องการเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดให้เวลากับร่างกายเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเท่าที่จําเป็นตามที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมาพระเจ้าบอกว่านักปฏิบัตินี้นอนคืนละสี่ชั่วโมงก็พอทรงสอนพระให้นอนตั้งแต่เวลาประมาณสี่ทุ่มให้พักผ่อนเวลาสี่ทุ่มถึงตีสอง S <S เวลาหกโมงเยนถึงสี่ทุ่มก็ให้ปฏิบัติซักอข้อจิตใจด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาทางปัญญาแล้วพอพอถึงสี่ทุ่มก็ให้พักพอถึงตีสองก็ให้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่ตอจนถึงเวลาออกบิณฑบาตตอนเช้านอนขึ้นละสี่ชั่วโมงก็พอร่างกายสําหรับผู้ปฏิบัติทำเพราะไม่ได้ทํางานหนักไม่ต้องทําอะไร มีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิหรือทำการทาความสะอาดต่างๆเท่านั้นเองร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานมากไม่จะเป็นที่ต้องนอนมากมนอนสี่ชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนเตียงเตียงหนาๆเตียงเตียงที่สบายมีฟูกหนาๆ น, านี่พอเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอแล้วมันตื่นขึ้นมานี่ใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็จะนอนต่อไปสองสามชั่วโมง เอเวลาของการปฏิบัติไปวิธีที่จะทําให้ไม่อยากจะนอนต่อหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็วคือต้องนอนบนพื้นแข็งๆนอนบนพื้นที่เป็นไม้หรือเป็นเป็นของแข็งปูด้วยผ้าปูด้วยเสื่อก็พออย่างนี้พอเวลาร่างกายเหนื่อยต้องการพักผ่อนหลับนอนก็จะหลับได้พอตื่นขึ้นมาก็ยากจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่าไม่สบายมันเจ็บหลัง น, นี่คือวิธีของนักปฏิบัติผู้ที่ต้องการจะซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่ต้องการความสุขที่แท้จริงคือความสุขทางใจจําเป็นที่จะต้องเสียสละความสุขทางกายไปด้วยการถือศีลแปะแล้วเมื่อเราถือศีลแปะแล้วก็ต้องไปหาที่สงบสงัดวิเวกที่เงียบสงบห่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราปฏิบัติใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสเราจะมีมี รูปเสียงกิริ ย, ย์่นมาขอยเ่อยวนชวนใจเราพอได้กินอาหารก็จะหิวขึ้นมาพอได้ยินเสียงน้องนําทําเพลงก็อยากจะไปร้องนาทําเพลงกับเขามันก็จะทําให้ไม่มีกจิจกระจายที่จะมาสักพอกจิตใจให้สะอาดโดยสุดผู้ที่จะต้องการซักพอกจิตใจจึงจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่สงบสงดัดทางกายจากแสงสีเสียงต่างๆเช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติวัดป่าวัดเขาหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมในป่าในเขา ที่เหล่านั้นสปายะแทนที่ที่จะเอื้อต่อการเจริญวิปัสนาเจริญสมถะภาวนาเพื่อสักฟอกจิตใจให้สะอาดโดยสุดเมื่อเราได้สถานที่เราได้รักษาศีลแปทีนี้เราก็ต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมจิตใจเพราะจิตใจคิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีสติใจก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา คิดถึงวันนี้แล้วก็ไปคิดคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ <S <S เปียนไปเปลี่ยนมาไม่มีวันหยุดถ้าใจไม่หยุดคิดใจจะไม่สงบถ้าใจไม่สงบความเศร้าหมองกิเลสความเศร้าหมองจะไม่หยุดทํางานเบื้องต้นเราต้องการหยุดให้กิเลสความเศร้าหมองนี้หยุดทํางานก่อนโดยการควบคุมความคิดสิ่งที่จะมาควบคุมความคิดได้ก็คือสติสติก็คือการเลือลกรู้ให้รู้อยู่ในปัจจุบันให้รู้เฉย ให้รู้ว่าตอนนี้เราไม่คิดอะไรถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้เราก็ต้องใช้กรรมฐานใช้อารมณ์มาช่วยหยุดความคิดเช็นเราต้องระลึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช็นเราลบเระลึกถึงพุทโธพุทโธไปในใจถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปในใจใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ <c oughs> เราต้องมีสติมีกรรมฐานมีอารมณ์ว้ควบคุมความคิด เช่นวันทั้งวันถ้าเราอยากจะเจริญสติเราก็ต้องเจริญกรรมาฐานเราก็ต้องอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดินตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้เวลาเรามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งสงบได้ง่ายได้เร็วและจะสงบได้นานเวลาที่ใจสงบกิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายก็จะหยุดทํา ง, งานชืว่วข่าวพอกิเลส เครื่องสมองไม่ทำงานปั๊บความสุขความสงบก็เกิดขึ้นในใจทันทีความสุขใจก็เกิดขึ้นมาทันทีและเป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่วิเศษที่สุดเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสความสุขที่ได้จากการได้รับยศสรรเสริญมาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากการซักฟอกจิตใจในขั้นที่หนึ่งซักฟอกด้วยสติจเจริญสติอยู่อย่างสม่าเสมอ นั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะร่างนิ่งสงบรวมเป็นสมาธิขึ้นมารวมเป็นสมาธิรวมเป็นฌานขึ้นมาพอจิตสงบเป็นฌานเป็นสมาธิแล้วเราก็จะได้ความสุขที่แท้จริงขั้นที่ขั้นที่ทชั่วคราวจอเป็นความสุขที่ยังไม่ยั่งยืนถาวรแต่เป็นความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นความสุข เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสุขที่ร้0ยเปอร์เซน์ของพระ น, นิพพานแต่ยังไม่ใช่เป็นความสุขของพระ น, นิพพานความสุขของสมาธินี่เป็นความสุขแบบชั่วคราวร้อเปอร์เซ็์แต่ชั่วคราวคือมันจะอยู่ในสมาธิไม่ได้ไปตลอดนั่นเองอยู่ในสมาธิได้สักพักก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาจิตก็เริ่มคิดพอเริ่มคิดเครื่องศร้ามองก็จะทางานต่อไปถ้าเราอยากจะให้เครื่องศรมองไม่ทางานเลย หลังจากออกสมาธิมาเราก็ต้องใช้ปัญญามาคอยสกัดเครื่องเศร้าหมองคือความโลภความอยากต่างๆเวลาที่เกิดความโลภความอยากไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าความสุขในทางโลกนี้เป็นความสุขที่เป็นความสุขรอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เช่นถ้าออกจากสมาธิมาแล้วยังอยากจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรอยู่นี้เราต้องคอยสกัดมันต้องหยุดมัน หยุดมันด้วยปัญญาด้วยการเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าความสุขทางโลกนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปถ้าเราใช้ปัญญาคอยสกัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองเวลาที่มันแสดงตนต่อไปกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองก็จะหายไปหมดไป<ม>พอกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองหายไปหมดไปใจก็จะสงบบริสุทธิโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ ใ, ใจที่ไม่ต้องเข้าในสมาธิแล้วมีความสงบสุขเหมือนกับอยู่ในสมาธินี้เราก็เรียกวันนิพพานนีง mm hmm. จะเป็นเป็นความสุขความสงบที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด mm hmm. ใจที่มีความสุขในระดับของพระนิพพานแล้วก็จะไม่มีความหิวความอยากที่จะกลับมาวินว่ายตายเกิดตต่อไป mm hmm. ใจที่ไปถึงพระนิพพานแล้วจึงไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป เมื่อไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีอีกต่อไปทุกเย้าไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตาบยยังมีการกลับมาเกิดอยู่แม้จะกลับมาเกิดดีเกิดสูงขณะดนั้นก็ตามก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีแต่ไม่กลับมาเกิดนี่แหละดีที่สุดจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ขุดผ่องด้วยการชําระใจให้สะอาดบริบสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา สมถภาวนาและวิปั ส, สนาภาวนาตามลำดับนี้นี่คือเรื่องของการหาความสุขทางใจที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารรวาหาปุราปรลิปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกักปติ เอติตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาละโสยะธามณิโชติละโสยะธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวตวันตาโยสุขิตาโยุโกภพวะ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 ถ้าหลังจากเลิกแล้วมาถามก็จะต้องขออภัยที่ยังไม่สามารถตอบให้ได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็งเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้จากทาง Facebook 370 y o u เจ b e พระอาจารย์สุชาติไลฟ์371 YouTube ดสิบรวิวิทยุออนไลน์1 1บคลับเฮาส์4 ผู้รับฟังนาุติหนร้ากุ้ิ152รวมทั้งหมด9 6้าค่ะคำถามจากคุณสมนึกค่ะเวลานั่งสมาธิผมนั่งในบ้านเปิดไฟสว่างต้องดับไฟไหมครับก็เรานั่งหลับตาจะเปิดแล้วปิดมันก็ไม่มีผลอะไรปิดก็ดีจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องเสียค่าไฟข้อ2ค่ะ ต้องสำรวมใจอย่างไรบ้างครับถึงจะสงบนิ่งแบบอยู่ในภวังได้ต้องให้มีสติอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดคาถามจากคุณจรัญญาค่ะ เราต้องพยายามรักษาใจเราให้ผ่องใสตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าคะเพราะใจเราจะเป็นผู้ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติร่างกายนี้ไม่สำคัญอะไรจะเกิดจะดับก็ปล่อยไปแต่เพียงรักษาใจให้เป็นกุศลใช่ไหมเจ้าคะเพื่อชาติหน้าจะได้สบายใช่จะรักษาใจให้เป็นกุศลได้ก็ต้องมีการปฏิบัติทานศีลและภาวนาทํารมบุญทา ท, า ท, า ท, าทานรักษาศีลห้ารักษาศีลป แล้วก็จเจริญสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนาถึงจะสามารถรักษาใจให้สะอ า, าดบริสุทธิ์ได้คำถามจากคุณชัยยันค่ะวิปัสณูกิเลสสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรครับจะมีโทษและมีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องใช้ปัญญาวิปัสณูก็ยังเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นสุขเป็นนิจจังสุขขังอั ต, ตาอยู่อ ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าตามแม้แต่จิตของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปเห็นว่าเป็นนิจจังสู่ ข, ขังอนาตาัตตก็เป็นวิปัสสนู ข, ขึ้นมาทันทีคำถามจากคุณเ อ, อมาเลเวอร์ค่ะที่พระอาจารย์บอกว่า กรรมจากความกลัวนี่คือกรรมจากอะไรคะแล้วกรรมนี้เกิดจากอะไรขอพระคุณค่ะไหนว่ามาใหม่ใช่ช้าๆหน่อยที่พระอาจารย์บอกว่ากรรมจากความกลัวนี่คือกรรมอะไรคะแล้วกรรมนี้เกิดจากอะไรคือความกลัวเกิดจากความหลงหลงไปคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี่เป็นของเราความจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นของเรา แล้วมันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งแต่เราไม่อยากให้มันจากไปเราก็เลยกลัวขึ้นมาเวลาเวลามีอะไรมาทำให้เราคิดว่ามันจะทำให้เราต้องจากสิ่งที่เรามีไปเกิดจากความหลงไปคิดว่าสิ่งที่เรามีนี่เป็นของเราเป็นตัวเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็เลยกลัวว่าถ้าร่างกายตายไปเราจะตายไปกับร่างกายด้วยแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายตายเราก็ยังอยู่เหมือนเดิ ม, <S <S มเราเป็นดวงวิญญาณเป็นจิตเป็นธาตุรู้ ที่ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บเราต้องมาแก้กความหลงสอนใจให้ว่าไม่ต้องกลัวอะไรอย่าไปยึดติดกับร่างกายอย่าไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราร่างกายจะเป็นอะไรก็พร้อมที่ให้มันเป็นถ้าเราพร้อมแล้วใจเราก็จะไม่กลัวอะไรอีกต่อไปคําถามจากคุณชิตนุพงค์ค่ะผมนั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงคนคุยกันมาได้สองวันแล้ว แต่ที่ผมอยู่ผมมีแค่ผมคนเดียวขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยครับว่าผมต้องทำอย่างไรไม่ให้สติหลุดไปกับเสียงเขาคุยกันครับพอได้ยินเสียงก็กลับมาหาพุโทโธอย่าตามเสียงพอรู้ว่าได้ยินเสียงก็แสดงว่าเราเผลอละเราลืมพุโทโธละให้เกาะติดกับพุโทโธไปไเรื่อยเสียงมันจะมีหรือไม่มีก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วเดี๋ยวต่อไปเสียงมันก็จะหายไปหมด คำถามจากคุณจริยาค่ะการมองตัวเราเป็นผืนดินนี้มีประโยชน์จริงๆค่ะช่วยลดความโกรธได้ช่วยลดความกลัวถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วถ้าใจเราไม่ทุกข์ก็ถือว่าถูกต้องแล้วยังไม่เห็หนค่ ะ, นะะเราไปหลงคิดว่าร่างกายเราตัวเรานี่เป็นของวิเศษ ความิมันก็เป็นว่าเป็นดินน้ํานมใสดีๆนี่ดินก็ใครๆจะเหยียบก็ได้น้ําใครจะตักไปดื่มไปกินก็ได้นมใครจะเอามาหายใจเข้าออกก็ได้มันไม่ได้เป็นของเราเราไปคิดว่าเป็นของเราเราเลยรักเลยหวงเรใครมาแตะหน่อยก็เลยโกรธขึ้นมาเสียใจขึ้นม า, าต้องปล่อยวางไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวตนเราไม่ใช่ตัวตนเราตัวรู้ให้รู้เฉยๆ เราจะไม่ทุกข์กับอะไรไม่มีนะต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยอันนี้จังทุกขังอนัตตามไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้สึกนึกคิดก็ไม่ใช่ตัวเราของเราดูเอาไมโครโฟนไปกับนมาสขานอาจารย์ครับ ไม่กี่วันแล้วผมเริ่มความหมายของคุยดังๆหน่อยได้ไมครับเลยครับไม่กี่วันแล้วผมเริ่มความหมายของคําว่าความหลงถ้าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็แปลไมาได้แล้วไม่กี่วันความหลงเหรอครับผมความหลงคือ delusiondelusion ครับเห็นผิดเป็นถูกเห็นหมาเป็นแมวอย่างเงี้ยเห็นหมาเป็นแมวครับไม่จะเห็นตามความเป็นจริงครับผมเห็นเห็นแมวเป็นหมาเห็นควายเป็นวัวเห็นวัวเป็นควาย ต้องเห็นควายเป็นควา ย, เ, วายวเห็นวัวเป็ น, นวัวถึงยะไม่หลงับผมเห็นว่าร่างกายเป็นเราเลยของเราก็หลงแ ล, ล้วร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราครับผม <efendim. S 2> ถ้าเห็นว่ามันไม่ไม่ใช่เราของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันครับมันจะเจ็บมันจะตายเราก็เฉยเฉยได้ครับแต่ไปหลงไปคิดว่ามันเป็นเราของเราเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้มันตายเราไม่อยากให้มันแก่ไม่ให้อยากให้มันเจ็บนี่คือความหลงครับผม เราเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นร้าำรองเห็นเห็นเห็นรังคำไร่แล้วก็เห็นกงจากเป็นดอกบัวอันนี้คือกงจากก็คือ blade circular blade เวลาไปจับมันค่ามันจะบาดมือจะกลับไปเห็นว่าเป็นโลเัสเป็นดอกบัวอยากจะไปจับมันว่ามันสวย เห็นผู้หญิงแล้ว่าสวยนี่อันนี้เป็นกงจักรไปยุ่งกับผู้หญิงก็เดี๋ยวเราผู้หญิงโดนผู้หญิงกัดเอาผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงก็เหมือนกันไม่ได้เงีผู้ชายเดี๋ยวเราผู้ชายกัดเอาครับฟ้องเห็นกงจักรเป็นดากบัวไม่ไม่ไม่ใช่เป็นของดีอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่มีอะไรมาบาดมือเราไม่มีกงจักรมาบาดมือเราเคารพใจอ่ะเคารพใจครับมีอะไรอีกไหม ไม่มีครับ <Okay. S 3> มีอะไรมไหมค่ะ okay. คำถามจากคุณประพันธ์ค่ะเมื่อช่วงสับ ตั้งแต่วันที่26ธันวาจนถึงเมื่อวานมีโอกาสได้ไปอยู่วัดป่าทำทานรักษาศีล8สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมไปพร้อมๆกันในแต่ละวันรับประทานอาหารวันละมือ้อได้รับความสงบเย็นทางใจวันนี้ออกมาแล้วเพื่อเตรียมทำงานใช้ชีวิตปกติต้องทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรให้มีความสงบทางใจต่อเนื่องต่อไปครับ ก็รักษาศินแปดได้ก็รักษาต่อไปถ้ารักษาศินแปดแล้วบางข้ออาจจะต้องปรับเวลาหน่อยเช่นศีลข้อหกไม่กินหนังเที่ยงวันไปแล้วอาจจะเลื่อนไปสักชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเรากินเราพักกินอาหารตอนเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเราก็เลื่อนเวลาไปชั่วโมงหนึ่งก็ได้ปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์แต่ก็ถือว่าเรายังรักษาสินข้อนี้ได้อยู่อ แล้วก็อย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปเปิดมือถือดูพวกบันเทิงมัวหอรสบอะไรต่างๆถ้าจะใช้มือถือก็ใช้ให้กับเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องที่จําเป็นแล้วก็มีสติฝึกสติอยู่เรื่อยๆพยายามอย่าปล่อยให้ใจฟุ้งพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถรักษาใจาให้สงบอยู่ได้ในระดับหนึ่งจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่การควบคุมใจของเราไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้ใจมีสติ ให้อยู่กับอยู่นในปัจจุบันให้อยู่เฉยๆคำถามจากคุณทัวค่ะนั่งสมาธิแล้วง่วงจะวูบสะบังกบ่อยแต่ถ้านั่งสมาธิพร้อมกับฟังเทศแทนจะไม่ง่วงเรียนถามว่าใช้วิธีทําสมาธิแบบนี้แทนได้ใช่ไหมครับก็ตอนต้นก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนเพราะสติเรายังมีกําลังน้อยยังไม่สามารถเอาชนะความง่วงได้ ก็ต้องอาศัยการฟังเทศไปพังๆก่อนต่อไปพอเรามีสติมากแล้วเช่นหลังจากที่เราฟังเทศเสร็จแล้วใจเราไม่ง่วงแล้วเราก็อย่าเลิกเรานั่งต่อไปนั่งโดยไม่ฟังธรรมนั่งโดยการบริกรรมพุโทโธหรือนั่งโดยการดูลมหายใจเข้าออกต่อไปได้อย่าเพิ่งเลิกต่อไปถ้าเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะไม่ง่วงเราก็จะสามารถนั่งสมาธิได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้การฟังธรรม เพราะการฟังธรรมนี้จะช่วยให้เรามีความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ไม่สงบอย่างเต็มที่อยากจะให้สงบเต็มที่นต้องนั่งใช้ใช้อารมณ์เดียวคือพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้า อ, อ, อย่างาทำจิตให้รวมเป็นสมาธิได้อย่างเต็มร้อยคำถามจากคุณใบหยกค่ะลูกมีโอกาสได้ไป กราบคุณแม่จันดีบ่อยๆและลูกได้ถามคุณแม่ว่านิพานคืออะไรคุณแม่ตอบสั้นๆว่าความว่างตอนนั้นลูกยังไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาลูกเข้าใจว่าคือการไม่มีการสัมผัสใดๆแต่จริงๆคือสัมผัสแต่ไม่ปรุงแต่งใดๆถูกต้องหรือไม่เจ้าคะหรือไม่มีกิเลสปรุงแต่งได้แต่อย่าไปปรุงแต่งทางกิเลส อย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ให้รู้เฉยๆถ้าจะปรุงแต่งก็ให้ปรุงแต่งด้วยความเมตตากรุณาได้เห็นใครก็สงสารเขาได้เมตตาเขาได้ช่วยเหลือเขาได้แต่ใจจะไม่มีความโลภความโกรธ ค, ความหลงกับสิ่งที่เรารับรู้คำถามจากคุณชานยุทธ์ค่ะถ้าปล่อยตามธรรมชาติโดยไม่บังคับ ทำไมจิตคนเราชอบทำเรื่องไม่ดีมากกว่าทำเรื่องดีครับเพราะกรรมเก่ามันคอยผลักดันให้ไปทำในเรื่องไม่ดีมันกรรมเก่ามันเป็นเหมือนกับพลังที่มันสะสมไว้ในใจของเราที่เราจะต้องคอยใช้สติใช้ปัญญาคอยหยุดมันให้ได้พอเราหยุดมันได้ต่อไปมันจะไม่มาผลักดันให้เราไปทำตามแบบเดิมอีกคาถามจากคุณชัยสรรค่ะ ผู้ปฏิบัติที่เข้าอุปจารสมาธิจนได้ฌานจะมีความรู้จากการเข้าไปเห็นโลกทิพย์ต่างๆมากกว่าพระอาหารหันต์ที่ไม่ได้ฌานส ม, สมาบัตใหม่ครับคืออุปจารสมาธินี่เป็นสมาธิที่ทำให้ผู้มีนั้นมีตาทิพหูทิพสามารถ ร, รู้สร่งที่อยู่ในโลกทิพย์ต่างๆได้เช่นนรกสวรรค์ เทวดาเทวบุตรเทวทิดาอะไรพวกนี้เป็นต้นแต่ไม่มีประโยชน์ต่อการกำจัดกิเลสสู่พระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์ที่ไม่มีอุปจารสมาธินี้แต่มีอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี้จะช่วยปัญญาช่วยกำจัดกิเลสให้จิตใจบรรุุเป็นพระอรหันต์ได้แต่อุปจารสมาธินี้จะไม่มีพลังที่จะสนับสนุนปัญญาให้กำจัดกิเลสได้ เพราะฉะนั้นไม่ควรไปสนใจกับอุปจารสมาธิไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆให้พยายามทําจิตให้สงบให้อยู่ในอุปอปนาสมาธิให้นิ่งเฉยให้เป็นอุเบกขาไวนาน้นานๆแล้วพอออกจากสมาธิมาจิตจะมีพลังสู้กับความอยากตัดความอยากได้ถ้าปัญญาบอกว่าความอยากเป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์คำถามจากคุณทัวข้อสองค่ะ ถ้าทำสมาธิเสร็จบางครั้งมีอาการสงบเงียบไม่แน่ใจว่าเหมือนเสื่อมซึมไหมอาการคล้ายขี้เกียจไม่อยากออกไปทําอะไรไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมครับถ้าขี้เกียจก็ยังไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นกาสมาธิความสงบที่แท้จริงนี้มันจะมีความสดชื่นเบิกบานพร้อมที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนาต่อได้เล ย, ยนี่เป็นสมาธิแบบ แบบแบบหลับมากกว่าหลับแบบตื่นไม่ใช่เป็นสมาธิที่แท้จริงเข้าสู่ผวังหลับเสียคำถามจากคุณนีโอค่ะหายใจเข้านึกพุทโธหายใจออกนึกพุทโธได้ไหมครับเหมือนบริกรรมบวกอานาปานสติพร้อมกันหรือควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับก็ลองดูได้อย่างไหนที่มันทำให้ใจเราสงบไม่คิดก็ใช้แบบนั้นไปก็ได้ บางคนดูลมอย่างเดียวก็ได้บางคนใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้บางคนต้องใช้สองอย่างก็ได้แล้วแต่อันไหนมันจะเหมาะกับเราคำถามจากคุณ a อเคค่ะข้อหนึ่งปีที่แล้วข้าน้อยได้กราบนมัสการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุอัคราสาวกที่อัญเชิญมาท้องสนามหลวงทั้งสองวาระ ทั้งสองครั้งพอเดินไปถึงสถานที่ประดิษฐสถานก็สะอื้นน้ําตาไหลคือความปิติในคุณพระรัตนตรยัยหรืออะไรคะก็เห็นดาราก็สะอื้นได้เห็นคนที่เราร้างเชอบขึ้นมาก็สะอื้นได้มันเป็นปฏิกิริยาของเราต่อสิ่งที่เรารักเราอชอบอะไข้อสองค่ะไปตลาดสดช่วงเช้าแทบทุกครั้ง มักมีปลากระโดดออกมาต่อหน้ารู้สึกสงสารจึงช่วยซื้อช่วยปล่อยลงแม่น้ำทุกครั้งปลาตัวอื่นในร้านก็ดิ้นบางตัวก็กระโดดออกมาอย่างนี้ปลาสัมผัสได้ว่าเราช่วยชีวิตหรือคะกเ็เขาไม่ตายเขาก็รู้ว่าเขาไม่ตาย และการปล่อยปลาจะมีอ น, นิสงฆ์ให้เราปลอดภัยสุขภาพดีอายุยืนไหมคะไม่หรอกถ้าเกิดชาหน้าเราไปเป็นปลาอาจจะมีคนมาช่วยเราปล่อยเนาะแต่ชาติ น, นี้ไม่เกี่ยวกับสุขภาพหรอกสุขภาพก็ต้องอยู่ที่การดูแลรักษาร่างกายของเราให้ถูกสุขลักษณะถูกสุข อ, อนามัยไม่กินเหล้าเมายาเป็นต้นสุขภาพก็จะดีไม่เกี่ยวกับการไปปล่อยนกปล่อยป ล, ยปลาแล้วจะทำให้เราสุขภาพเราดี ตอนปล่อยปลาหากเราอุทิศบุญให้บรรพระบุรุษบุปภการีท่านจะได้ผลบุญและอ น, นิสงฆ์ไหมคะได้ถ้าท่านรอรับบุญอยู่ก็ได้ไม่มีค่ะไม่มีคำถามนะว น, นะมีใครอยากจะถามไหมถ้ามีก็เชิญเข้ามาแล้วยกมือขึ้นเราจะได้อยากจะถามไหมไม่มีนะ